ทย่ยามเปิดที่ว่างให้จิตของเราได้เติบโตนะเหมือนกับมาเตรียมดินเอาไว้ดินมันลกลกไปด้วยวัชพืชจิกตก็ไม่มีช่องจะเติบโตงอกงามได้อย่าให้ใจของเราไปมันลกไปด้วยสิ่งที่เป็นบาเป็นอกุศลหรือว่า ตกไปด้วยความคิดพุ่งสร้างค่อยๆนะเปิดทางเปิดช่องให้สติของเราได้เดติบโตแล้วก็ช่วยกันลดน้ำพรวนดินที่เรามาสร้างจังหวะเดินจงโรมมานี้แหละแต่ละก้าแต่ละจังหวะที่ทำก็มืกับการหยดน้ำลงไปให้สติของเราเติบโต สติของเรานี่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เดติบโตเท่าที่ควรเพราะว่าพักพืชมันลกมันงับนะเลยต้นสติเลยไม่ค่อยได้เดติบโตนี่เราก็าต้องค่อยนะถางออกไปบ้างนะให้มีที่ว่างให้แดดได้ส่อง เติมน้ำลดน้ำส่วนดิงเข้าไปใส่ปุ๋ยด้วยยิ่งดีคือใช้ความเพียรนะแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็เอาความตั้งใจของเราเนี่ยนะเป็นน้ำเป็นดิงเป็นแสงแดบดบเป็นฝุ๋ยต้นไม้เวลาจะโตนี่มันช้านะเราไม่ค่อยสังเกตหรอกว่ามันมันโต ไม่ว่าจะเป็นยอดจะเป็นเก่งใบหรือว่ารากนี่เห็นไม่ชัดดูทุกวันทุกวันก็เหมือนกับเท่าเดิมแต่ที่จริงมันโตอย่าไปคอยวัดมากว่ามันโตเท่าไหร่รากลึกเท่าไหร่หรือจเป็นอย่างในชาดกนะที่คนสวนมีฝากให้ลิงช่วยลดน้ำต้นไม้คนสวนเนี่อยู่ให้ลิงช่วยลดน้ำต้นไม้ลด ต้นไม้ดินก็ลดตายก็ดีหรอกแต่ว่ามันสงสัยว่าเอ๊ะมันโตขึ้นบ้างไหมรากมันลึกขึ้นบ้างไหมมันทำยังานก็ดึงต้นไม้มาแล้วมาดูว่ารากลึกแค่ไหนเสร็จแล้วก็ใส่ักต้นไม้ไปในดินใหม่แล้วก็ลดน้ําลดน้าเสร็จก็มาดูอีกว่าดินก็รากมันลึกไหมอย่างเนี้แล้วลองต้นไม้ก็ตายคนสวนกลับมาก็สลบเลยโอ้นไม้ตายอีกอย่ สตินี่พระพุทธเจ้าว่าเปรียบว่าเป็นเป็นใหญ่เดรัมดาธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สมาธิเป็นตรมุกปัญญานี่เป็นยอดวิดมุตนี่เป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดเป็นจุดหมายในสตินี่อย่าไปอยไปดูถูกเขานะาเขาเป็นใหญ่ในบรัดาธรรมทั้งหลาย สมาธิก็เป็นความมุค ก, กัญญาก็เป็นยอดนะสามตัวนี้สาคัญนั่นสติพูดมาได้ยินมาก็บ่อยโดยพ่อเมื่อมาวัดนี้มาที่นี่สติคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจสติคือความระลึกได้ีพูดแบบรวมๆความระลึกได้ทือไม่ลืมไม่หลืดไม่ห ล, ลงคนเราระลึกได้หลายเรื่องระลึกได้ว่ามีนัด ก, กับใครที่ไหนระลึกได้ว่า เราเคยไปรักษาที่ไหนรลึกได้ว่าเราเป็นนี่ใครไว้อะอันนี้ก็เป็นสติได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่สติที่จะสำคัญสำหรับการปฏิบัติหรือการนำพาให้คนทุกข์ไม่ลืมคนไม่ลืมได้หลายเรื่องรวมทั้งไม่ลืมตัวไม่ลืมตั ว, ตวนี่ก็สำคัญ พุทธศาสนานี่เราก็พยายามโงกลับมาที่เรื่องตัวเองเราไม่ลืมตัวแปลว่าอะไรไม่ลืมตัวคนที่ได้ดิดได้ดีแล้วไม่ลืมตัวว่าตัวเองนี่ก็เคยเป็นชาวไร่ชาวนาต้องไม่ลืมกรรมพืชเดิมไม่หลงตัวอันนี้ก็เรียกว่ า, ามีสติแยก่างกันนะไม่ว่าจะ เป็นใหญ่แค่ไหนก็ยังมีสติระลึกได้ก็เออสันเคยเป็นคนยากคนจนฉันเป็นวัวที่ไม่ดืมซีนอ่อันนี้ก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งเป็นความไม่ลืมตัวทำให้เราอ่อนน้อมค่ามตัวมาจากต้นข้าวต้นข้าวที่แม้ว่าจะมียิ่งมีรวงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนน้อมโคง้งลงมาสู่ดินอันนี้เลยว่าไม่ดืมตัวคือกลับสู่ราก คืนสู่ลากคืนสู่ดินเรายังไม่ลืมตัวได้อีกหลายอย่า ง, างเช่นเวลาเราโกรธเวลาเรา เ, เ, าเ ร, าร้านี่ล้วก็ต่อลู่ตัวเราลึกได้สิ่งที่ทําให้เราลืมตัวก็คือว่าเราชอบมองไปข้างนอกมองออกไปข้างนอ ก, อออ ก, ไ, ปนอกไปอยู่ที่โลกที่รสที่กลินที่เสียงเรามีตาหูจมูกลิ้นต้องห้าอย่างมันเอาไว้สำห ร, รับรับรู้เรื่องโลกภายนอก ถ้าเราปล่อยใจให้ออกไปตามตาตามหูตามโสตความลิ้นตามกายนี่ก็ลืมตัวได้เหมือนกันนะนั่นต้องระวังอย่าไปลืมตัวอย่างเรื่องของนับปฏิบัติมีผ้าสีลูกเขาตั้งใจจะปฏิบัติดับอุกติตกประเนว่าจะนั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกันเจ็ดวันวันแรกนี่ก็ ตอนเช้าก็ผ่านไปด้วยดีแต่ทพปอตอนบ่ายได้ยินเสียงปุกกับปุกกั บ, กบที่วิหารอารมณ์ก็เก่ดพูดขึ้นมาว่าเอมีใครลงกรนวิหารหรือเปล่านะเดี๋ยกมีคนเข้าไปนะดูที่สองก็บอกว่าอ่ท่านดุงก็รู้ว่าเราตกลงว่าจะห้ามพูดท่านที่สามก็เลยบอกว่ า, าแล้วท่านที้สองพูดทําไมท่านที่สี่บอกพูดท่านนี่แยกมันเลยพูดทุกคนมีผมคนเดียวที่ไม่ได้พูด เนี่ลืมตัวลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะคุยโมะนะอยากจะคุยโมาฉันเก่งแล้ว่าจ้องจับติดผู้อื่น่ยนะคนเราก็มีสองอย่าง ท, ทำให้ลืมตัวคือชอบไปจ้องจ้องผู้อื่นจ้องจับติดก็ดีจ้องดูเข้าก็ดีแล้วก็อยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งฉันแน่เนี่ยมันก็ทําให้ลืมตัวได้ความต้องอยากจับติดนี่เรียกโทรศัมันมีโทรศัอยู่ ก็คอต้องจับผิดเมื่อไม่ชอบเขาก็ต้องจับผิดเขาความคิดอยากจะปวดตัวว่าฉันเก่งฉันไม่พูดเลยนี่เรื่องมารณนะมาน่ะคือความอยากจะให้ตัวดมึนบันดึงเออคนเราลืมตัวได้ด้วยเหตุ น, นี้แหละแต่ลืมตัวที่สํำคัญก็คือลืมลืมตัวไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าทุกข์ไม่รู้ตัวว่ากําลังเศร้า น, นี่สําคัญมากที่ทำให้สติเป็นเรื่องที่เราต้องมามาฝึกกันเพราะว่าคนเรานี้ทุกข์ก็ไม่รู้ตัวทุกข์ก็ลืมตัวเราลืมตัวไปให้ความโกรธเข้ามาครอบงำเราลืมตัวไปให้ความเสียเข้ามาครอบงำความทุกข์ความเศร้ามาครอบงำรู้เหมือนรู้ตัวแต่จริงไม่ใช่มันทําท่าจะรู้ตัวเสร็จแล้วก็หลุดเข้าไปในความทุกข์หลุดเข้าไปในความเสียเวลาเรา เห็นคนอื่นเนี่ยเรารู้เราสังเกตง่ายแต่เวลาเราแทนเองเราสังเกตยากเนื้อที่อานะ่านนเรื่องความมีสติรู้ตัวนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เรามาฝึกสร้างจังหวะเ ด, ดินจังกมเพื่จะมาฝึกนะขั้นแรกเลยคือการรู้ตัวไม่ลืมไม่ปล่อยใจให้มันลอยไปตามความคลุมแสงตามนิสัยเคยชินมันจะไปอดีตแไปอ น, นาคตอันนี้เป็นนิสัยที่เราต้องไม่เผลอ แต่ก่อนเราจะปล่อยใจไปตามใจชอบแต่พอเรามีหลักเอาอิทธบทมาตั้งเป็นหลักเสอิเมื่อไหร่ก็ให้ระลึกได้ว่าเออแต่กำลังสร้างจังหวเดินจังกลมนะดึงกลับมาดึงจิตกลับมาอยู่ที่การสร้างจังหวะเดินตรงกลมอันนี้แหละจะสุกให้มีความระลึกตัวมีความระลึกได้อยู่บ่อยๆมีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆรู้ตัวตว่าหลงดึงกลับมาไอ้ความรู้ตัวอยู่กับอิทธิบาทการเคลื่อนไหว เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งสร้างจังหวะเพรู้ว่าสร้างจังหวะกินก็รู้ว่ากิน น, น, นี่แหละคือสติสติ น, น, น, นี่มีอณิสงหลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องขึ้นขึ้นไปจนถึงเรื่องสูงสูงพระเจ้าปัจเสีนที่โกรธส น, นเคยต่ัสกับพระพุทธเจ้าว่าจิตอัดเลอกเกินนะเพราะว่าร่างกายตัวใหญ่กินเยอะกินจุภู่จ่กาก็แง่วันให้มีสติให้มีสติรู้ประมาณในการบริโภค และเวทนาจะบบาบางระแก่ช้าอายุยืนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปทาตามก็เวลาฉันเวลาสวยก็มีคนมาเตือนมาทูลว่าให้มีสติให้รู้ประมาณในการบริโภคคือกินแต่ก็ดีก็ปรกว่าก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็มากลับทูลพระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้ทั้งเรื่องโลกปัจจุบันแล้วก็รู้ทั้งโลกโลกียะแล้วก็โลกุตตระ สติมีประโยชน์แม้กระทั่งการกินเรื่องพื้น้นนะช่วยให้แก่ชาอายุยืนนี่ก็สติใครที่อยากจะจิตให้มีสติสงบไม่ใช่แก่ชาอายุยืนหรือว่ามีสุขภาพดีเท่านั้นอยากจิตสงบ ก, ก็ต้องอาศัยสตินะเพราะว่าความสงบที่แท้คือการที่จิตนะอมีความกลมกลืนอยู่ภายในก็ต้องอาศัยสติเพราะถ้า ม, มีสติฟุ้งร้าง ความสงบก็ต้องอาศัยสติอยากรู้จักพระพุทธเจ้าหรือก็อาศัยสติเหมือนกันนะลู้จ่าไปยกล่าวว่าผู้ใดที่มีมีสติตั้งมั่นนะเมื่อเห็นระูปนะก็มีสติเฉพาะ้าไม่ไม่ยึดติตในรูปนั้นปล่อยวางในรูปนั้นได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่กล้พิพานอยากใกล้พิพานก็อาศัยสติอีกเหมือนกัน อยากพบพะพุทธเจ้าก็อาศัยสติผู้ใดที่มีสติตั้งมั่นก็เหมือนกัว่าได้เห็นเรามีสติสัมมูลอินทรีย์ก็เท่าก็ว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็เท่าก็ว่าเห็นเราจะมากราบกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจะมาแม้กระทั่งจะมาจุดใจชายทีวันพระุทธเจ้าก็ไม่เท่ากับว่าเด่นพระพุทธเจ้าสถาบันที่มีสติสัมมูลอินทรีย์ตาหูสมูกริางกายใจมีความสัมรวมสัมรวมในที่นี้คือว่าไม่ยินดียินไล่เมื่อตายเห็นลูก ดินเสียงเป็นต้นอยากกบฏพระเจ้าก็ต้องมีสติอยากกลายนิพพานก็ต้องมีสติอยากเอาชนะความตายก็ต้องมีสติพระเจา้าเคยนัง่งวิธีที่จะทําให้มัจรรดานไม่เห็นตัววิธีทําให้มัจรรดานเห็นตัวทํำยังไงโมฆะราษฎยถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าก็มีสติตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นมองเห็นโลกว่าเป็นความว่างเปล่า ลอาเห้โลกเป็นของว่างเปล่าที่ว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนก็คืออนัตตาคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมองคับได้ไม่มีตัวตนที่เชิงแท้ยั่งยืนมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนี่ถ้มีสติเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าในตัวตนอย่างนี้นี่ก็เท่ากับว่ามัจจุราชมองไม่เห็นตัวเอัชนะมัจจุราชได้ที่มัจจุราชมันจะจับเราไปได้ตลอดเมื่อ เห็นตัวเราหรือว่าเรามีตัวมีตนแต่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะก็ไม่มีความสาคัญต่อหมายในตัวตนมัจะร่ากรรมอะไรไม่ได้เห็นท่านผูกการผู้ตัหลายครั้งอนการที่จะไม่มีตัวตนนี่ก็ลองใส่คติตัดกัะภาหิยะใส่กับพาหิยะว่านี่ผู้ใดเห็นเห็นลูกก็สักแต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ถึงก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้รับรู้อารมณ์ธรรมารมณ์ก็ก็รู้ในธรรมอารมณ์นั้น ตอแต่ว่ารู้เมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อเธอไม่มีเธอก็ไม่ตอบกฎทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและไม่ตอบกฎในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์สติปัญญานี่คือปุบบายสลายตัวตนะคนเราถ้ายังไม่ยังไม่มีสตินี่มันก็ไปสังคันมั่นหมายว่าว่าเป็นตัวกูของกูอยู่ลําไปอย่างเช่นเวลาเราเดินเนี่ยถ้าไม่มีสตินะมันก็ไป น, นึกว่า มันก็มีพูดเดินนะว่าฉันเดินฉันเดินแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็มีแต่การเดินพราสติเป็นผู้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นอย่างที่เรางพอกับเสียชอบย้ําเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นเห็นความเครียดเห็นความปวดอย่าเข้าไปเป็นผู้เครียดผู้ปวดนะถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นี่มันเข้าไปยึดว่านี่เป็นของฉันนี่เป็นความทุกข์ของฉันฉันเป็นผู้ทุกข์อย่างนี้แหละพอฉันเป็นผู้ทุกข์ฉันเป็นผู้เจ็บนี่ มัจุลาจะเห็นตัวเลยนะเห็นตัวผู้รุกเห็นตัวผู้เจ็ตก็เล่นงานได้แต่ถ้ามีสติไอ้ความสำคัญมันหมายล่ามีผู้เจ็ตผู้ป่วยนันก็ไม่ปรากฏนะนี่แปลว่าเนี่ยตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีมัจุลาก็ตามจับไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่คุ้นเพราะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้ให้ระลึกว่าเอออย่าเป็นเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เห็นก็แล้วกัน เห็ความคิดแต่อยเป็นผู้คิดเห็ความปวดความเมื่อยแต่ว่าอย่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นผู้เห็นนั่นแหละอันนี้เราว่ามีคือสติมั่นกั่นระลึกได้เมื่อเราระลึกได้เราก็ไม่เข้าใจเป็นผู้เป็นให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสติที่มันอันิสงส์เยอะมากตั้งแต่เรื่องง่ายๆเรื่องพื้นเรื่องการกินการนอนนอนไม่หลับก็ต้องใช้ใช้สตินะเพราะคนนอนไม่หลับเนี่ยก็บางทีก็ ก็ตกใจหรือว่าก็กังวลนะยิ่งกังวลย่งมานไม่หลับแต่ถ้าทําใจสบายๆวยาช่างมันช่างมันคืนคืนนิ้วตามลมหายใจไปมันจะหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองนะคิดเอง น, นี่ก็หลับไปได้นี่ต้องใช้สติเหมือ น, นกันาการคินกมันใช้สติกันนะมันใช้ใช้ใชสติอยากจะค้นทุกก็ต้องใช้สติเดีย๋ยวจะเข้ากับนิพราพก็ต้องใช้สติ อยากเอาชนะความตายก็ต้องใช้ชสติพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสตินี่เป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่มรรดาทรงงง่วงเพราะนั้นก็ให้พยายามตั้งใจปฏิบัติกันนะให้มีให้เกิดชันทะในการปฏิบัติเพื่อทำให้เรา อ, อุปสรรคปัจจายป็นเรื่องได้ขึ้นมา